โอเดพี oh, ที่น้องนีผิดคำสัญญาจะคอยพี่มาเขา้าวิวาเมื่อหาเงินได้พีไปทำงานได้ไม่นานก็มีผู้ชายเข้ามาพัวพันชิดใกล้น้องพลาดไปตกเป็นของเขา ยังมีให้พี่เหมือนเก่าแต่ตัวน้องนั้นกำแพงกันอยู่เป็นของข้าวพี่ช้ำน้องเองก่นเศร้าเมื่อความรา ไว้ส่วนเลือกหัวใจรองใ้สงสารชายที่รักอับเฉาเห็นพี่เมาเซ่คนเคยเทมาดแมดูดีสภาพวันนี้คนดีๆต้องเป็นขี่ลาวสุดทรมานเป็นตัวการต้นเหตุความเศร้า เพียงเพราะน้องหนอเจ้าทำให้เหงาขอดทุกหลายหลายเสียใจไม่ต่างกันไปจากนี้ชีวิตน้อง ในวันนี้ไม่เคยมีความสุขภายในยหน้าชื่น อ, อกตรมหวานต้องอมขมคืนเกลือนไว้ส่วนเลือกหัวใจร้องไห้สงสารชายที่รักอับเชา้าเห็นพี่เมาเซคนเคยเท มาเป็นตัวการต้นเหตุความเศร้า